ตอนที่สิบวักที่หกปัญหาที่แปดถามถึงที่ตั้งแห่งปัญญาข้าแต่พระนาคเษนปัญญาอยู่ที่ไหนขอถวายพระพรปัญญาไม่ได้อยู่ที่ไหนถ้าอย่างนั้นปัญญาก็ไม่มีขอถวายพระพรลมอยู่ที่ไหนข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าที่อยู่แห่งลมไม่มี ขอถวายพระพรถ้าอย่างนั้นลมก็ไม่มีฉลาดแก้พระผู้เป็นเจ้าปัญหาที่9ถามเรื่องสงสารข้าแต่พระนเกเสนคำว่าสงสารได้แก่อะไรขอถวายพระพรสัตว์โลกเกิดในโลกนี้ก็ตายในโลกนี้ตายจากโลกนี้แล้วก็ไปเกิดในโลกอื่น เกิดในโลกนั้นก็ตายในโลกนั้นตายจากโลกนั้นแล้วก็เกิดในโลกอื่นการเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้แหละเรียกว่าสงสารขอนิมนต์อุปมาด้วยขอถวายพระพรเหมือนอย่างว่าบุรุษคนหนึ่งกินมะม่วงสุกแล้วปลูกมเมล็ดไว้ เมล็ดมะม่วงนั้นก็เกิดเป็นต้นมะม่วงใหญ่ขึ้นจนกระทั่งมีผลมะม่วงบุรุษนั้นก็กินมะม่วงสุกจากมะม่วงต้นนั้นแล้วปลูกมเมล็ดมะม่วงไว้อีกมเมล็ดมะม่วงนั้นก็เกิดเป็นต้นมะม่วงใหญ่โตขึ้นจนมีผลต้นแก่ก็ตายไปที่สุดเบื้องต้นแห่งต้นมะม่วงเหล่านั้นย่อมไม่ปรากฏว่ามีมาเมื่อไหร่ ข้อนี้มีอุปมาฉันใดการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายก็ไม่ปรากฏเบื้องต้นฉะนั้นแกถูกดีแล้วเพราะผู้เป็นเจ้า